อุปสมานุสติกถาส่วนพระโยคาวจรภิกษุผู้ประสงค์จะเจริญอุปสมานุสติซึ่งท่านยกขึ้นแสดงไว้ในลำดับแห่งอาณาปานสติพึงไปอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่พึงระลึกถึงคุณพระนิพพานกล่าวคือธรรมะที่เข้าไปสงบทุกข์ทั้งปวงโดยในยะพระบาลีอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเป็นสังคตะก็ดีเป็นอสังคตะก็ดีมีประมาณเพียงใดวิราคาธรรมเรากล่าวว่าเป็นเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นวิราคาธรรมนี้คืออะไรวิราคธรรมนี้คือธรรมะเป็นที่สร้างเมาเป็นที่กำจัดความกระหายเป็นที่ถอนอะไรเป็นที่ตัดวัดตฏะ เป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สำรอกตันหาเป็นที่ดับตันหาคือพระนิพพานอธิบายพระบาลีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาวตาแปลว่ามีประมาณเท่าใดบทว่าธรรมมา ได้แก่สภาวะธรรมทั้งหลายบทว่าสังคตาวาอสังคตาวาความว่าธรรมทั้งหลายอันปัจจัยทั้งหลายมารวมประชุมกันแต่งขึ้นก็ดีไม่ได้แต่งขึ้นก็ดีบทว่าวิราโคเตสังธรร ม, มานังอัคคมัคคายติความว่าวิราคธรรม เรากล่าวว่าเลิศคือกล่าวว่าประเสริฐสูงสุดกว่าสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมเหล่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวิราโคความว่าไม่ใช่ประสงค์เอาเพียงความไม่มีราคะเท่านั้นโดยที่แท้ก็ประสงค์เอาธรรมะเป็นที่ส่างเมาเป็นที่ออกจากเครื่องร้อยรัดฉะนั้นอสังคตรธรรม ที่ได้นามว่าธรรมะเป็นที่สางเมาเป็นต้นจึงเรียกว่าวิราคาจริงอยู่วิราคาธรรมนั้นท่านเรียกว่าธรรมะเป็นที่สางเมาเพราะความเมาทั้งปวงมีความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นมาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมสางเมาคือหายเมา แลเรียกว่าธรรมะเป็นที่กำจัดความกระหายเพราะความกระหายทั้งปวงมาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วยอมถึงความกำจัดออกคือตกไปอันหนึง่งเรียกว่าธรรมะเป็นที่ถอนความอาลัยเพราะความอาลัยในการมาคุณห้ามาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วยอมถึงความถอนออกเด็ดขาด และเรียกว่าธรรมะเป็นที่ขาดศูนย์วัตตะเพราะวัตตอันเป็นไปในภูมิสามมาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมขาดศูนย์อันหนึง่งเรียกว่าธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายราคะเป็นที่ดับสนิทเพราะตันหามาถึงวิราคาธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความสิ้นไปคลายไป ดับไปโดยประการทั้งปวงอันหนึ่งเรียกว่านิพพานเพราะวิราคาธรรมนั้นออกไปคือสลัดตัดขาดจากตันหาอันได้โวหารว่าวาณนะเพราะรอยรัดผูกไว้เย็บและเชื่อมซึ่งกำเนิดสีกติห้าวิญญาณที่ติเจ็ดและสัตตาวาสเก้าเพื่อภาวะสืบๆไปแล อุปสมะกล่าวคือพระนิพพานอันพระโยคาวจรพึงระลึกถึงโดยอำนาจคุณมีธรรมะเป็นที่สร้างเม่าเป็นต้นเหล่านั้นดังกล่าวมาชนี้ก็หรือว่าประโยคาวจรพึงระลึกถึงโดยอำนาจคุณคืออุปสมะแม้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระสูตรทั้งหลายมีอาธิว่า ภิกษุทั้งหลายเราจกแสดงอสังกตธรรมแก่เธอทั้งหลายเราจะแสดงสัจธรรมปารธรรมสุทธุทัศธรรมอัจชชระธรรมยุวธรรมนิปปัญจธรรมอมตตธรรมสิวธรรมเขมาธรรมอภูตธรรมอเนติกธรรมวิสุทธิธรรมจีปธรรมตานธรรมเลณธรรมแก่เธอทั้งหลาย ดังนี้เป็นต้นนั่นแหละอานิสงุปัสัมมานุสติเมื่อพระโยคาวจรระลึกถึงความสงบโดยอำนาจคุณมีภาวะที่ธรรมะเป็นที่สั่งเมาเป็นต้นอย่างนี้อยู่ในสมัยนั้นจิตของเธอไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเลย ในสมัยนั้นจิตของเธอเป็นธรรมชาติดำเนินไปตรงปรารบความสงบตรงดิง่งเมื่อเธอข่มนิวรได้แล้วโดยในยะที่กล่าวแล้วในอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละองค์ชาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแต่เพราะภาวะที่คุณแห่งความสงบทั้งหลายเป็นคุณลึกซึ้ง หรือเพราะภาวะที่จิตน้อมไปในการระลึกถึงคุณมีประการต่างๆชานนี้จึงเป็นชานไม่ถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงอุปจาระเท่านั้นชานนี้นั้นถึงการนับว่าอุปสมานุสติเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจความระลึกถึงคุณแห่งความสงบและแม่อุปมานุสตินี้ย่อมสำเร็จแก่พระอริยส า, าวกเท่านั้น เช่นดังอนุสติหกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ปุถุชนผู้หนักในความสงบก็พึงใส่ใจถึงเพราะแม้ด้วยอำนาจการฟังจิตก็เลื่อมใสในความสงบได้ก็แลภิกษุผู้ประกอบอุปัสมานุสตินี้ย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบ ประกอบด้วยฮิริและโอตปะปากหน้าเลื่อมใสมีอัจาสัยประณีตเป็นผู้ควรเคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพโรมจารีทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณสูงสูงขึ้นไปย่อมเป็นผู้มีสุขคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นและบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ไม่พึงประมาท เพื่อเจริญสติในความสงบอันประเสริฐอันมีอ น, นิสงส์เป็นอนเนกประการโดยในยะดังพันนนามาชนิเทินกถามุกอย่างพิสดารในอุปสมานุสติยุติเท่านี้เปาริเชต ท, ที่8ปชื่อว่าอนุสติกรรมฐานนิเทศในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในประกอรวิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้ารจนาไว้เพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนทั้งหลายดังนี้จบปริเชษที่แัมคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเรรถระรจนา